13. ญาณยาสังยุตหนึ่งสมาธิมูลกัสสมาปฏิสูตรว่าด้วยการเข้าสมาธิอันเป็นมนูลห6 2้เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ได้ฌานสี่จำพวกนี้บุคคลผู้ได้ฌานสี่จำพวกไหนบ้างคือหนึ่ง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 เป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดภิกษุตทั้งหลายนมสดจากแม่โคนมส้มจากนมสดเนยข้นจากนมส้มเนยใสายจากเนยข้นยอดเนยใสายจากเนยใส ย, ยอดเนยใสายชาวโลกถือว่าเป็นเลิศในบรรดา น, นมสดเป็นต้นนั้นแม้ฉันใด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 เป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดพิสษุทั้งหลายนมสดจากแม่โคนมส้มจากนมสดเนยข้นและนมส้มเนยใสจากเนยข้นยอดเนยใสจากเนยใสยอดเนยใสชาวโลกถือว่าเป็นเลิศดในบรรดา น, นมสดเป็นต้นนั้นแม้ชันใด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 เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการออกจากสมาธิสองบุคคลผู mhm. ้ได้ชานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิสามบุคคลผู้ได้ชานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ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 เป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดพิสูตทั้งหลายนมสดจากแม่โคนมส้มจากนมสดเนยข้นจากนมส้มเนยใสายจากเนยข้นยอดเนยใสายจากเนยใสยและยิ่งใหญ่ที่สุดสมาธิมูลกะวุฒิฐานสุตรที่สามจบ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 เป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดพิกษุทั้งหลายนมสดจากแม่โคนมส้มจากนมสดเนยข้นจากนมส้มเนยสาสจากเนยข้นยอดเนยใสายจากเนยไสยและยิ่งใหญ่ที่สุดสมาธิมูลการลิตะสูตรที่สี่จบ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 สบุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในอารมณ์ในสมาธิในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในอารมณ์ในสมาธิเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดภิกษุทั้งหลาย นมสดจากแม่โคและยิ่งใหญ่ที่สุดสมาธิมูลกะอัมพนสูตรที่หจบ 6. สมาธิมูลกะโคจรสูตรว่าด้วยโคจรในสมาธิอันเป็นมูลห6 7้อเเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า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 ในบุคคลสีจำพวกนั้นบุคคลผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในโคจรในสมาธิเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดภิกษุทั้งหลายนมสดจากแม่โคและยิ่งใหญ่ที่สุดสมาธิมูลกะโคจรสูตรที่หกจบ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 เป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดพิกษุทั้งหลายนมสดจากแม่โคและยิ่งใหญ่ที่สุดสมาธิมูลกะอภิณีหาลสูตรที่เจ็จบ 8. สมาธิมูลกะสักกะจกกรีสูตรว่าด้วยพุทธธรรมโดยความเคารพ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 และยิ่งใหญ่ที่สุดสมาธิมูลกะสักกัจจการีสูตรที่8จบ 9. ก้าสมาธิมูลกะสาตัจาการีสูตรว่าด้วยผู้ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิอันเป็นมูล670เเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี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 และทำความเพี่ยนต่อเนื่องในสมาธิในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและทำความเพี่ยนต่อเนื่องในสมาธิเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดพิกษุทั้งหลายนมสดจากแม่โคและยิ่งใหญ่ที่สุด สมาธิมูลกะสาตั จ, จาการีสูตรที่เกจบส0สมาธิมูลกะสัพยาการีสูตรว่าด้วยู้ทธรรมสัพยะในสมาธิอันเป็นมูห6 7้อเจ็เเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี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 บุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและทำสัพ ป, ปะยะในสมาธิเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดพิกษุทั้งหลายนมสดจากแม่โคและยิ่งใหญ่ที่สุดสมาธิมูลกะสัพ ป, ปยาการีสูตรที่สิบจบ สมาธิมูลกะจบสิบเอ็ดสมาปฏิมูลกะทิติสูตรว่าด้วยการเข้าและการตั้งอยู่ในสมาธิอันเป็นมูลห7 2้อยเจสองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย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 สมาปฏิมู ล, ลกวุตฐานสูตรที่สิบสองจบ 13. ส3สามัมปิมู ล, ลกัลลิตสูตรว่าด้วยการเข้าและความพร้อมในสมาธิอันเป็นมูล674้เ67เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี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 ในสมาธิในบุคคลสี่จำพวกนั้นและยิ่งใหญ่ที่สุดสมาปติมุลกะกัลลิตสูตรที่สิบสามจบสิบสี่สมปติมุลกะอารัมมณสูตรว่าด้วยการเข้าและอารมณ์ในสมาธิอันเป็นมูล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 บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิและไม่ฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ 4. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิและฉลาดในอารมณ์ในสมาธิในบุคคลสี่จำพวกนั้นและยิ่งใหญ่ที่สุดสมาปติมูลกะ อารัมมณสูตรที่ส4จบสิบห้าสมาปฏิมูลกะโคจรสูตรว่าด้วยการเข้าและโคจรในสมาธิอันเป็นมูลห7 6้เเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย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 สมปติมูลกะโคจรสูตรที่15จบ 16. สมปฏิมูลกะอภินิหารสูตรว่าด้วยการเข้าและอภินิหารในสมาธิอันเป็นโมล 677. เเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า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 และยิ่งใหญ่ที่สุดสมาปฏิมูลกะอภินีหาละสูตรที่16จบ 17. สมาปฏิมูลกะสกัจจสูตรว่าด้วยการเข้าและความเคารพในสมาธิอันเป็นมูล 678. ้67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 ในบุคคลสี่จำพวกนั้นและยิ่งใหญ่ที่สุดสมาปติมูลกะสักกะจะสูตรที่17จบ 18. บสมาปัสมปฏิมูลกะสาตัจัสูตรว่าด้วยการเข้าและความเพียรต่อเนื่องในสมาธิอันเป็นมูล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 เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิและในบุคคลสีจำพวกนั้นและยิ่งใหญ่ที่สุดสมาปติมูลกะสาตัจสัสรที่18จบ 19. สมาปติมูลกะสัพปปยาการีสูตรว่าด้วยการเข้า และพูดธรรมสัพพยะในสมาธิอันเป็นมูลห8 0้ปเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ได้ฌานสี่จำพวกนี้บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิแต่ไม่ทำสัพพยะในสมาธิสอง บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำสัปพะยะในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ 3. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิและไม่ทำสัปพะยะในสมาธิ 4. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ และทำสัพเพะในสมาธิภิกษุทั้งหลายในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการเข้าสมาธิทำสัพเพะในสมาธิเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดภิกษุททั้งหลายนมสดจากแม่โคนมส้มจากนมสด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 และยิ่งใหญ่ที่สุดสมาปฏิมูลกะสัพยะการีสูตรที่19จบสมาปติมูลกะจบ 20-27 ถึงทิติมูลกะวุตธานาสุตตาทิอัตถะว่าด้วยพระสูตรแปดสูตรมีทิติมูลกะ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 บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิและฉลาดในการออกจากสมาธิในบุคคลสี่จำพวกนั้นและยิ่งใหญ่ที่สุดทิติมูลกะอุตถานะสุตตาธิอันทกะที่2 0สบถึง27่จบพึงขยายประสูตรทั้งแปสูตร จนถึงทิติมูลกะสัพยาการีสูตรที่28ให้เต็มเหมือนสูตรต้นทิติมูลกะจบ28ถึง34อุตฐานะมูลกะกลิตะสุตติสัตตกะว่าด้วยพระสูตรเจ็ดสูตร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 จบพึงขยายพระสูตรทั้งเจ็ดสูตรจนถึงวุตฐานะมูลกะสปยาการีสูตรที่34ให้เต็มเหมือนสูตรต้นวุตฐานะมูลกะจบ3 5ถึง40กาลิตตะ โมลกะอารัมพนะสุตตาทิชกกะว่าด้วยพระสูตรหกสูตรมีกาลิตตะโมลกะอารัมมนสูตรเป็นต้นห9 6้ถึงเจ็ดเอ็ดเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าหนึ่งบุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้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 เป็นผู้ไม่ฉลาดในความพร้อมในสมาธิและไม่ฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ 4. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในความพร้อมในสมาธิและฉลาดในอารมณ์ในสมาธิในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลผู้ได้ฌานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุด กัลิฏตามูลกะอรัมมะสุตตาที่ชกะที่3 5บถึงส่สจบพึงขยายพระสูตรอีกหกสูตรจนถึงกัลิฏตามูลกะสัพยะการีสูตรที่40สบให้เต็มเหมือนสูตรต้นกัลิฏตามูลกะจบ ส1 45, อถึงาอารมณะมูลกะโคจระสุตตาที่ปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีอารมณะมูลกะโคจระสูตรเป็นต้นเจ2ถึงเรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าหนึ่งบุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้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 และไม่ฉลาดในโคจรในสมาธิ 4. ี่บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในอารมณ์ในสมาธิและฉลาดในโคจรในสมาธิในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลผู้ได้ฌานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดอารมณะมูลกะโคจระสุตตาทิปัญจกะ ที่41สบถึง45้จบพึงขยายพระสูตรทั้งห้าสูตรจนถึงอารมณะมูลกะสัพยากาลีสูตรที่ส5ให้เต็มเหมือนสูตรต้นๆอารมณะมูลกะจบ46ถึง49บ โคจรมูลกะอภินีหารสุตตาทิจะตกกะว่าด้วยพระสูตรสี่สูตรมีโคจระมูลกะอภินีหารสูตรเป็นต้นเจ7ด้อเจเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าหนึ่งบุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้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 และไม่ฉลาดในอภินิหารในสมาธิ 4. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในโคจรในสมาธิและฉลาดในอภินิหารในสมาธิภิกษุทั้งหลายนมสดจากแม่โคนมส้มจากนมสดเนยข้นจากนมส้มเนยใสายจากเนยข้น ยอดเนยสายจากเนยสายยอดเนยสายชาวโลกถือว่าเป็นเลิศดในบรรดานมสดเป็นต้นนั้นแม้ฉันใดบุคคลผู้ได้ฌานที่ฉลาดในโคจรในสมาธิและฉลาดในอภินนหารในสมาธิก็ฉันนั้นเหมือนกันสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดเจ8 1. ้หนึ่งบุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฉลาดในโคจรสมาธิแต่ไม่ทําโดยเคารพในสมาธิพึงเพิ่มข้อความที่เหลือให้พิสดารเจ็ดนึ่งบุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในโคจรในสมาธิแต่ไม่ทําความเพียรต่อเนื่องในสมาธิ710 1. บบุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฉลาดในโคจรในสมาธิแต่ไม่ทำสัพปปยะในสมาธิโคจระมูลกะอภินีหารสุตตาทิจเตกกะที่46ถึง49กจบโคจระมูลกะจบ50ถึงห้าสบสอง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 แต่ไม่ทำโดยเคารพในสมาธิ 2. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำโดยเคารพในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในอภินิหารในสมาธิ <ian> 3. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้ <t> เป็นผู้ไม่ฉลาดในอภินิหารในสมาธิและไม่ทำโดยเคารพในสมาธิสี่ <c oughs> บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในอภินิหารในสมาธิและทาโดยเคารพในสมาธิภิกษุทั้งหลายในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลผู้ได้ฌานและยิ่งใหญ่ที่สุด712 1. บหนึ่งบุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในอภินิหารในสมาธิ แต่ไม่ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิ713 1. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในอภินิหารในสมาธิแต่ไม่ทำสัปปพยะในสมาธิอภินิหาระมูลกะสกจะสุตตาถิติกะที่ 50-52 ถึงจบอภินิหาระมูลกะจบ 53ถึง54สักกัจามูลกะสาตจักการีสุตตาทิทุกกะว่าด้วยพระสูตรสองสูตรมีสักกัจามูลกะสาตจจการีสูตรเป็นต้น714เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าหนึ่งบุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้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 และไม่ทาความเพียรต่อเนื่องในสมาธิสี่บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำโดยเคารพในสมาธิและทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิพิสูตทั้งหลายในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลผู้ได้ฌานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุด7สิหนึ่ง บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทมโดยเคารพในสมาธิแต่ไม่ทำสัพปพะในสมาธิสักจมูลกะสาตัจจะการีสุตตาทิทุกะที่5 3ถึง54จบห้าบห้า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 บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิแต่ไม่ทำสัพปพะในสมาธิ 2. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำสัพปพะในสมาธิแต่ไม่ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิ 3. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ไม่ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิและไม่ทำสัพปพะในสมาธิ 4. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิและทำสัพปพะในสมาธิในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลผู้ได้ฌานที่ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิ และทำสัพเยะในสมาธิเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดภิกษุทั้งหลายนมสดจากแม่โคนมส้มจากนมสดเนยข้นจากนมส้มเนยสายจากเนยข้นยอดเนยสายจากเนยสายยอดเนยสายชาวโลกถือว่าเป็นเลิศในบรรดานมสดเป็นต้นนั้น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 ต่างชื่นชมพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคแล้วแลสาตั จ, จะมูลกะสัพยะการีสูตรที่ห5จบพึงขยายความพระสูตรทั้งห้าิ้านี้ให้พิสดารชนะสังยุตจบรวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 1. สมาธิมูลกะสมาปฏิสูตรสอง สมาธิมูลกะติติสูตร 3. สมาธิมูลกะวุฒฐานสูตร 3. สมาธิมูลกะวุตถานะสูตร 4. สมาธิมูลกะกัลิตาสูตร5สมาธิมูลกะอารัมมณสูตร6สมาธิมูลกะโคจระสูตร7ด อาทิมูลกะอภินหารสูตร 8. สมาธิมูลกะสกกะจาการีสูตร9สมาธิมูลกะสาตจะการีสูตร10สมาธิมูลกะสัปยาการีสูตร11สมาปติมูลกะทิติสูตร12 สมาปติมูลกะบุตตานะสูตร13สมาปติมูลกะกัลลิตะสูตร14สมาปติมูลกะอารัมณสูตร15สมาปติมูลกะโคจระสูตร16สมาปติมูลกะอภินิหาราสูตร17สมาปติมูลกะ สั ก, กจสูตรสิปสมปฏิมูลกะสาตจสูตร19สมามปติมูลกะสัพยาการีสูตรยี2สิิทิติมูลกะวุตถานาสุตตาธิอันทกะอัตทกะ 28- 34วุตถานามูลกะกลิตะสุตตาทิสัตตกะ 35ิหถึงสสิบการิตตะมูลกะอรารมณะสุตตาทิชกะ41สอถึงสิบหาอารมณะมูลกะโคจระสุตตาทิปัญชกะ46 4ิถึงโคจระมูลกะอภินีหาระสุตตาทิจะตุกะห้าสิบถึงห้าสิบสอง อภินีหารมุลกะสั ก, กจะสุตตาทิติกะ 53-54 สั ก, กจมุลกะสาตจะการิสุตตาทิตุกะห5สบาตัตจมุลกะสั ป, ปยาการีสูตรขันธวารวักที่สามจบ รวมสังยุตที่มีในขันธวารวักนี้คือ 1. ขันธสังยุตสองราธาสังยุตสามทิฏฐิสังยุตสี่โอกระกันตสังยุตหอุปาทสังยุตหกกิเลสสังยุตเจ็ดสารีปุตตะสังยุตแปดนาคสังยุต 9. สุปันนัสังยุต 10. คันทัภกายะสังยุต 11. วราหกะสังยุต 12. วัชโคตตะสังยุต 13. บาณยานะสังยุตคันทวารวักสังยุตจบบริบูรณ